ตอนเรียนคู่งานงานคู่เรียนวันที่6พฤษภาคม2562จริงๆเราไม่ขัดแยง้งศาสนาก็สอนให้เราต้องมีสัมมาอาชีวะต้องมีอาชีพทุกคนนะเออถ้าเรามุ่งมั่นจะไปนิพพานแล้วก็เอาอาชีพนักบวชนักปฏิบัติธรรมนะ แต่ที่นี้ส่วนใหญ่เราไม่ใช่กส่วนใหญ่เรามาเรียนรู้เพื่อจะอยู่ในสังคมและสังคมทุกวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงมากนะจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆที่ไม่ได้กลับบ้านนะเพราะครูฉายให้ดูแล้วก็พูดอีกนะหน่อยหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเรากลับมาหมดฟังพร้อมกันลูกต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนด้วย การใช้ชีวิตด้วยตอนนั้นเราใช้ชีวิตแบบนักบวชนะอันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะส่วนเรื่องการใช้ชีวิตยอย่างไรเนื่องจากเวลาน้อยนะพรุ่งนี้พราครูดเดินทางไปกรุงเทพเดี๋ยวก่อนเปิดเทอมนว่าจะเรียกประชุมนะต่อไปจะทําอย่างไรนะตกลงกันลูกแต่ทุกคนต้องอยู่ที่นี่ใ ช, ช้ชีตนี่อย่างมีความสุขคนอยู่ก็มีความสุขคนดูแลก็มีความสุข ที่ผ่านมาคนอยู่ก็เครียดคนดูแลก็เครียดแสดงว่าศูนย์ไม่ใช่ผู้รู้นะเราต้องมานั่งคุยกันใหม่ไม่มีเหตุผลที่เราต้องมาเครียดนะทุกคนมีอารมณ์ประจำตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องอารมณ์ประจำตัวส่วนตัวเราต้องรู้เท่าทันมันไม่ใช่ระเบิดอารมณ์นี้ใส่คนนั้นใส่คนนี้หรือใสออ่ไม่ชีพี่เลี้ยงไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นนะลูก นะทุกวันนี้เด็กๆ เ, เรียกร้องสิทธิแต่ไม่รู้หน้าที่นะก็วันนี้พวกกูจะพูดถึงเรื่องสามมอจริงๆแล้วสามมอที่เขาทำเนี่ยส่วนมากระดับปวชจบปวชแล้วไปทางานกับองค์กรใหญ่ๆอย่างเซนทันกุปก๊ปกุ๊บเซนทันเขามีธุรกิจเยอะมากแล้วกุ๊ปไมเนอร์เมื่อกี้เนี่ยไมเนอร์จะเน้นเรื่องอาหารนะ เช่นร้านเสเวนเส้นร้านเบอร์เกอร์คิงร้านพิซซ่าร้านอะไรอันนี้เขาคนงานก็ห้า0มื่นกว่าคน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คูคีไปอบรมเร็วๆนี้ก็คือเอ MK, ที่เราเคยเป็นซุกี้ MK MK เคขาก็มี9ถึง10ธุรกิจนะทีนี้ MK เเราได้ข้อมูลมาอันนี้ชัดเจนแต่พวก ไมเนอร์เซนทนี่ไม่รู้ว่าระดับปวชเขาทาอย่างไรเขารับคนที่จบปวชแล้วไปทํางานแล้วเขาให้ทุนเราเรียนปวสต่อนะแล้วก็รู้สึกบางแห่งเขานัดวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ยนะถ้าเราเรียนปวสเนี่ยต้องไปทํางานที่สาขากรุงเทพถ้าเรียนกับอ e ีเทคนะพวกูมีเอกสารนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้โดยเฉพาะมัธยมแล้วก็ไป ไปอ่านนะพี่แบมม6หกพี่เปาพี่บีนมหกมหกจะได้ไปก่อนไหมไม่ไมหกต้องรออีกปีหนึ่งลูกส่วนพี่แพ็คพี่แอมปวชเนี่ยเรียนแค่เทอมหนึ่งอีกเทอมหนึ่งลูกคือเราอยู่เรียนปวชที่นี่ปีครึ่งภาคทฤษฎีแล้วก็เตรียม เตรียมพื้นฐานในการจะไปทำงานแล้วก็ไปอยู่กับกลุ่ม MK ปีครึ่งเขาบรรจุเป็นพนัก ง, งานเขาให้เงินเดือนนะช่วงปช่วงปวชก็อิงวิทยาลัยเรานะเรียนผ่านเราปีครึ่งแล้วก็ไปเรียนภาคปฏิบัตินะอยู่ที่ MK MK เคขาก็มีหลายธุรกิจไม่ใช่ขายสุกี้อย่างเดียวนะลูก นะทีนี้เขามีที่พักมีอะไรแล้วก็เมื่อเราทำงานปีครึ่งแล้วเขารับรองมาว่าเราผ่านวิทยาลัยก็ออกวุฒิบัตรให้แล้วถ้าเราอยากกลับไปทำงานเอ็มเเหมือนเก่าเขาจะรับเราร้อยเปอร์เซ็นะคือเขาอบรมมาแล้วทีนี้ถ้าปวชวเราจบแล้วเราทำงานเอ็มต่อ เขาก็ส่งให้เราเรียนปวสต่อนะเขาให้ทุนทำไมเขาให้ทุนนะมันเป็นโครงการระหว่างรัฐโดยกระทรวงแรงงานแล้วก็มีพันธสัญญากับวิทยาลัยแล้ว ก, กับองค์กรเอกชนแล้วเขาให้ฟรีเขาก็ขาดทุนสิไม่เงินที่เขาเป็นค่าเทอมให้เราเนี่ยเขาหักภาษีได้ลูกอันนี้เขาก็ได้ประโยชน์ และทุกวันนี้แนวโน้มของนักธุรกิจเขาจะไม่รับคนจบปริญญาตรีรับน้อยมากเฉพาะสาข า, ขาแขนงที่เขาจำเป็นจริงๆนะเพราะว่าจบปริญญาตรีม่จะท่องจำแม้กระทั่งมปลายเราเนี่ยเดียนแต่วิชาการจบปริญญตรีก็ไปท่องจำวิชาการอีก4ปีทางานอะไรก็ไม่เป็นเขาไม่เอาเขาจะเอาตั้งแต่ปวชแล้วก็ให้เราไปฝึกแล้วเราก็เรียนต่อ ทีนี้เราฝึกไปด้วยแร้เรียนต่อไปด้วยเมื่อเราจบปวสถ้าเราทํางานกับเขาต่อเขาก็เพิ่มเงินเดือนแล้วก็เพิ่มตําแหน่งให้เราแล้วก็เราต่อเรียนปริยาตีต่อเขาก็ให้เราทุนนเราเรียนเมื่อจบปริญาตีเขาก็เพิ่มเพิ่มตําแหน่งให้เราจนเป็นผู้จัด ก, การได้ทีนี้เราไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เรามีโอกาสได้เรียนดีกว่าไปเรียนมหาวิเลยอันนี้ของจริงเป็นภาคปฏิบัติจริงๆแล้วก็เอาประสบการณ์ตอนนั้นนะ่ะมาทํา ธุรกิจส่วนตัวนะช่วงที่เราเรียนแบบนั้นเขาเรียกว่าทวิภาคีนั่นก็เป็นช่วงที่เรากําลังศึกษาเรียนรูนะเหมือนตอนนี้เรามาอยู่ศูนย์เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการเรียนทําไมตื่นเช้ามาให้ตีห้างมากวาดนะมาทำโน่นไปปลูกผักอันนี้คือทักษะฝึกให้เราเป็นคนรับผิดชอบทีนี้ครูคีไปประชุมร่วมกับอ เอเคเขาเนี่ยเขาบอกว่าปีครึ่งอยู่ที่เราเนี่ยเขาไม่ต้องการคนมีความรู้ทางวิชาการขอให้ฝึกเด็กเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตเขารับผิดชอบงานที่เขาทําซื่อสัตย์แค่นั้นพอเดี๋ยวไปที่เขานั่นเขาจะสอนเองนะเราเรียน ว, วิชาใดก็ช่างจบปริญญาตีโทเอกจบมาก็มาทํางานแต่การศึกษาบ้านเราเนี่ย ตั้งแต่อนุบาลจนปริญญาตีโทเอกมีแต่ไปท่องจาแล้วก็แบกองค์ความรู้มาแล้วสุดท้ายไม่มีทักษะชีวิตไปทะเลาะ ก, กันนะก็สร้างตัวตนขึ้นมาตอนนี้บริษัทห้างร้านเขาจะไม่เอาบางอย่างเนื่องจากคนไปสร้างปัญหาแล้วก็ค่าครองชีพก็สูงขึ้นพนักงานก็เรียกร้องเงินมากขึ้นในทุนเขาก็อยากค่าใช้จ่ายต่ําตอนนี้เป็นอย่างนี้สุดท้ายเขาก็เลือกไปใช้ หุ่นยนต์บางอย่างเขาไม่ใช้คนใช้หุ่นยนต์หนึ่งไม่ต้องลาป่วยไม่ต้องลาคลอดไม่ต้องลาไปกินข้าวทำงานได้ยี่สิบชั่วโมงส่วนงานที่เขาจำเป็นต้องใช้คนเขาจะเอาปวชวเพราะการศึกษาเรียนปวชวอย่างอย่างโร ง, ง, ง, ง, ง, งวิยาลัยเราเนี่ยภาคปฏิบัติต้องทำอาหารทำขนมเค้กคือ learning by doing เรียนด้วยการปฏิบัติจริงเราจะได้ใช้ความคิด เราจะกล้าจินตนาการว่าจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นเขาเลือกเด็กเหล่านี้เนี่ยเอาไปฝึกต่อนะตอนนี้ปริยาตีเนี่ยเรียนแล้วก็ตกงานถึงจะได้งานกระชั่งไม่มีทักษะชีวิตอันนี้เป็นบอกให้ทุกคนนะก็เดี๋ยวเอกสารนี้มอบให้พี่แพ็กกับพี่แอมไปอ่านก่อนเสร็จแล้วก็ แอมพี่แอมนะแล้วก็ให้พี่แบมพี่แบมต้องจบม .6 แล้วก็พี่เปากับพี่บีนนะนะส่วนคนที่เรียนโรงเรียนนะเดี๋ยวครูคีเขาก็ไปประกาศนะม .6 เขาก็รับนะคนที่จบม .6 แล้วเนี่ยไปเข้าโครงการสมนะถ้าจะเรียนวิทยาลัย e t เทคเขาอยู่ชนบุรีเนะี่ยเขาจะดูแล กรุงเทพกับพวกจังหวัดใกล้เคียงอ่ะคือทุกวันอาทิตย์เราทำงานต้องหยุดวันอาทิตย์เขาจะส่งครูไปสอนเราตรงนั้นน ะ, ะปะวะสนะก็ถ้าเป็นอ e ีเทคนะเขามีคณะอะไรบ้างนะเราชอบช่างใช่ไหมแต่ช่างเครื่องยนต์เนี่ย มันก็มีซ่อมรถยนต์นะแต่ไม่ใช่เครื่องยนต์นะเขาจะเป็นเน้นเรื่องไฟฟ้าพระครูก็เปิดดูนะช่างอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ไฮเทคโนโลยีอินไซอันนี้ไปเรียนเรื่องหุ่นยนต์ควบคุมหุ่นยนต์ แล้วก็ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่มันเป็นวิชาใหม่ๆทีนี้เราไปทำงานเราก็เรียนปะวะสเพิ่มได้นะแต่ถ้าคนเรียนปะวะชที่นี่พวอกูแนะนำเราเรามีพื้นฐานอาหารอยู่แล้วก็เลือกธุรกิจอาหารนะธุรกิจอาหารกำลังโตขึ้นในโลกนี้นะเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็ต้องกิน นะธุรกิจอาหารนี่กำลังเฟื่องฟูนะทีนี้ชั้วเราเรียนอาหารปุ๊บเราไปทางานเซนทนเขาไปขายเสื้อผ้าใช่ไหไอ้ที่เรียนมาปีครึ่งมันไม่ได้เปรี้ยวอะไรแตก่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ชอบอาหารอาหารก็เราทำกินเองก็ได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพเราได้อันนี้เป็นโอกาสทุกคนแล้วเมื่อวันก่อนถามครูพร น, นะพราคุยคุ ย, คยกับพี่ไมยอยู่ถามว่าพี่ไม่สองวันดูสา ม, มอเป็นยังไงดูว่าด พี่พรเดินออกไปนอกสลาพี่พรเออได้ยินว่าพี่พรกู้เงินกยศเรียนจะไหมเขาบอกใช่แล้วพิ่พรจบมาแล้วทํางานกี่ปีสิปีจ่ายกยศหมดหรือยังเหลืออีกสองงวดกู้กยศไปเรียนปริญญาตรีสี่ปีทํางานสิปียังจ่ายมาไม่หมดลเหลืออีกสองงวดสอ ง, งวดเดี๋ยวพวกกูจะทําบุญด้วยทุกวันนี้เราไม่ต้องกู้หรก นะเราสามารถเรียนด้วยตัวเราเองแล้วก็ไม่ใช่จบแล้วเขาไปหางานทำยังไม่จบก็มีงานทำโดยเฉพาะปะวชคูคีไปทำา MO กับ MK เคขาแล้วเมื่อเราเรียนปีครึ่งปุ๊บพวกเราไปทำงานกับ MK ภาคปฏิบัติเขาก็มีครูสอนครูดูแลนะแล้วก็วิชาลัยก็ก็ผิดติดตามเมื่อเราอยู่ทช่นั้นปีครึ่ง MK เคขาเซ็นรับรองว่า เราผ่านขั้นตอนการฝึกงานแล้วเนี่ยเราก็จบปวชนะถ้าเราคุ้นเคยเราต้องการไต่เต้าหน้าที่เราก็กลับไปทำา M มเคเขารับร้อยเปซนตะ์เราก็เรียนปวสต่อนะปะวสจบแล้วเราเรียนปริญญาตรีต่ออันนี้อยู่ที่ตัวเราละเป็นโอกาสดีของเราทุกคนไม่ต้องไปกู้เรียนกู้เรียนปริญญาตีออกมาไม่มีงานทำเขาก็ไปฟ้องยึดบ้านเรายึดคนค้าประกันเนาะ พี่พรบอกว่าเสียดายสมัยตอนเขาเนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยทวีภาคีมันเกิดเมื่อปีห้าสามออีติเข้ามาเยี่ยมพ่อคูเขามาบอกเรื่องนี้เขาได้ยินว่าครูบาอาจารย์เปิดวิจารัยแล้วว่าพราะครูรู้เรื่องสา ม, มอบอกไม่รู้นะส า, สามสามอปกติเขาจบปวชวแล้วก็ไปไปทางานเรียนปวสแต่ตอนนี้ MK เอมเคนี่ยเขาลดลงมา ไม่ต้องจบปวชและกฎหมายของปวชเนี่ยเขาให้เราเรียนทฤษฎีนี่ปีครึ่งแล้วไปเรียนภาคปฏิบัติกับเอ็เคได้เลยปีครึ่งนะเรามีเงินเดือนตั้งแต่เนี่ยปวชปีครึ่งแล้วก็มีเงินเดือนแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองนะแล้วก็ศูนย์นี้กําลังจะทําอยู่นะเดี๋ยวให้ทางร้านกาแฟเขาไปจดบริษัทแล้วก็พอกูจะมีร้านอาหารแล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งทุกคนทราบนะ ไอโรงงานแปลรูปกล้วยเราตอนนี้เนี่ยก็พี่แก้วนำเสนอไปทางไปษนีคณะกรรมการเขาเนี่ยก็มีมติแล้วเขารับของเราไปขายนะต่อไปนี้เราจะมีกล้วยขายทุกสาขาไปษนีทั่วประเทศนะออฟไลน์คือขายตรงบริษัทไปษนีแต่ แต่ออนไลน์เขาซื้อทางออนไลน์เขาแจ้งมาเราก็ส่งให้เขาทีนี้โรงงานนี้ก็ต้องผิดอย่างจริงจังไม่ใช่ทําบ้างไม่ทําบ้างที่ผ่านมาเราเราเรียนรู้นะต่อไปเด็กปวชถ้าไม่อยากไปที่อื่นนะเรียนปีครึ่งแล้วเนี่ยก็มาทำงานในศูนย์ได้แล้วก็จ่ายเงินเดือนเหมือนที่เราไปทำงานที่อื่นแต่ถ้าคนเบื่อศูนย์ก็ส่งไปทาที่อื่นนะบางทีก็ส่งไปให้คนอื่นเขาอบรมหน่อยหนึ่ง แต่ไปที่อื่นเราจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการแบบสากลอย่างกลุ่มไมเนอร์เมื่อกี้นี่เขามีทั้ง33ประเทศทั่วโลกถ้าเราขยันเรียนเนี่ยคนเราถ้าขยันทางานนี่เน่นายจ้างเขามีตาเขาก็ต้องการคนมีคุณภาพอยู่แล้วเขาจะสนับสบนุนเราเรื่องและการเรียนแล้วก็สนับสบนุนเรื่องตำแหน่งหน้าที่ถ้าเราขยันเรียนนี่นะ อย่างพวกครูมีลูกศิษย์ลูกหาที่ภูเก็ตเนี่ย เ, เป็นผู้จัดการโรงแรมชั้นหนึ่งเห็นไมเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเขาเขา เ, า, เารับผิดชอบหน้าที่เขาเขาส่งไปดูใบเงินเดือนเป็นสองแสนเห็นหมอยู่ที่เราเนี่ยดีชั่วมันอยู่ที่เราถ้าทำงานอ้อออแอะแอแล้วก็แบบไม่ไม่กระตือร้อนเจ้านายที่ไหนเขาก็มีตาเนาะ เจ้าของธุรกิจเขาก็ต้องการคนดีคนซื่อสัตย์คนใส่ใจเนี่ยเขาก็ส่งเสริมนะแต่ตอนนี้เรามีช่องมีทางเลือกแล้วนะพวกครูก็บอกว่าเออดีแล้วนะบางทีไปอบรมส่วนเราไปเรียนแล้วเราไม่ชอบมาเป็นอาชีพแต่เราเกิดทักษะชีวิตเมื่อเราไม่ชอบเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าไม่ชอบทางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็มาทาธุรกิจเราเองเพราะเราจบแล้ว เราจบมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วได้เรียนรู้ของจริงแล้วก็มีความกล้ า, าหาญมาเปิดธุรกิจเราเองอันนี้บอกนะช่วงที่กําลังเรียนรู้อย่าไปใช้อารมณ์ชอบไม่ชอบชอบก็ต้องเรียนไม่ชอบก็ต้องเรียนนะปกติแล้วเนี่ยต้องอายุ18ปีค่อยไปทํา ง, งานได้นะแล้วจบมสามเพื่อไปทา ง, งานนี่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่มีทักษะชีวิตแต่ทีนี้ปวชวเรายังไม่จบทีนี้เขาอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ให้เราไปฝึกงานปีครึ่งนะก็พวกกูอ่านให้ฟังหน่อยหนึ่งนะเล่มนี้เดี๋ยวไปเก็บไ์ที่คู่คีมีหลายเล่มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้ามาอันนี้เป็นเป็นของแมคโคนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะการดาเนินงานโครงการเรียนคู่งานงานคู่เรียน นี่บริษัทเครือข่ายเขาเนี่ยเป็นพืชเลยเนาะพอเราจะสมัครว่าเราจะทำงา น, ผานแผนกไหนเข้าใจว่าเราเราต้องคิดดีว่าเราชอบผแผนกไหนแล้วเราจะไปเรียนต่ออะไรนะก็เลือกไอ้ที่เราทำงานกับที่เราเรียนต่อให้มันตรงกันมันจะเกิดทักษะเราเรียนเพิ่มเติมทฤษฎีวิชาการแล้วก็เอามาใช้กับงานแล้วก็ได้เรียนรู้งานของจริงนะอันนี้เป็น ของ MK. M.K. เนี่ยวิทยาลัยเราเนี่ยไปเซ็นสัญญากับเขา ล, ล้ล่ะคือเขาเรียกว่าทำข้อตกลงกันเบื้องต้นทีนี้รุ่นพี่ที่เขาเรียนไปก่อนนะเขาไปฝึกงานที่อุบนรนะ้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะกลับมาวันที่10บนะรุ่นนี้ต้องเรียนอีกปีหนึ่งจบปวชค่อยไปต่อ ขวศึกษาไปเรียนปวสแต่รุ่นพี่แอมกับพี่แพ็คเนี่ยนะเรียนแค่อีกเทอมหนึ่งปีครึ่งแล้วก็ไปเข้าโปรแกรม MK มนี้ได้ทันทีนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกล่กส่วนกุ๊ปอื่นเราเช็คดูก่อนว่าเขารับแบบนี้ไหมปวชวปีครึ่งแล้วไปเนี่ยเดี๋ยวเรากลังะหาข้อมูลแต่ว่าทาง MK นี่เขาโอเคแล้วล่ะนะ ทีนี้เราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยตําแหน่งหน้าที่เราก็ก้าวไปเรื่อยเห็นไหมทุกวันนี้เรียนจบปริญญาตีเดินหางานไม่มีงานทำไอ้นี้ยังไม่จบก็มีงานทําแล้วนะพ่อครูว่าเตรียมอะไรเตรียมทักษะชีวิตเนี่ยพวกเราต้องมีคุณธรรมถ้าเจ็ดประการพวกเรามีเนี่ยบริษัทไหนก็อาแขนรับเขาชอบคนขยันคนประหยัดเห็นไหมไปทํางานเนี่ยของเขาดีแล้วก็จับโยนทิ้งเลยเขาก็ขาดทุนเห็นไหม ประหยัดแล้วก็ซื่อสัตย์กระตันยูกับองค์กรกระตันยูกับพ่อแม่ใครๆก็รักคนกระตันยูนะใครๆก็รักคนอดทนมีวินยัยวินัยคือคือรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็ฝ่ายเรียนรู้นั่นแหละวิชาที่สําคัญที่สุดก็คือเจอย่างนี้ตอนนี้องค์กรต่างๆเขาไม่ต้องการคนมีความรู้นะวิชาการไม่ต้องรู้ความรู้นี่กดอินเทอร์เน็ตมีหมด เขาต้องการคนขยันเขาต้องการคนรับผิดชอบนะอันนี้เราก็ต้องเตรียมคนแบบนี้แล้วก็ความรู้วิชาชีพเขาบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพเขาเก่งกว่าเราเดี๋ยวเขาสอนเองนะอันนี้คือ MK ส่วนอันนี้ E t e ท h ไปเปิดดูนะว่าเขามีคณะอะไรบ้างทีนี้พอกูกำลังให้ครูคีเช็คอุบ ו วิธีลัยเทคนิคอุบลหรือวิยาลัยอาชีวะอุบบนึเงเขาก็มี ปวสปริญญาตรีด้วยแต่เขามีโปรแกรมนี้ไหมเราไปเช็คดูถ้าเขามีโปรแกรมนี้เราก็ทำงานที่อุบลได้ใช่แล้วก็เรียนที่อุบล น, นะแต่ถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ต้องเข้ากรุงเทพอันนี้วิจัยอ e ีเทคนะมาตรฐานเยอรมันแห่งแรกเนะี e ่ยอีเทคพวกูไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นวิจัยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่า ตอนนี้เขามีนักศึกษา1 0 0 0 0หคนหลายปีก่อนเกือบ1ิปีแล้วพ่อกูไปอบรมครูที่นู่นเขามีแค่เจ0 0คนนักเรียนตอนนี้เขาหมื0 น, นห0 0คนในขนะที่ทุกโรงเรียนของประเทศไทยเนี่ยเด็กน้อยลงนะเขาพ้อมมากนะอีเทกเนระบบทวิภ า, าคีเนี่ยนะพ่อกูอ่านดูแล้วเนี่ย เขาเพิ่งเซ็นสัญญากับกระทรวงแรงงานกับบริษัทต่างๆนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะทำอย่างจริงจังซึ่งเขาทวีภาสกีเนี่ยอันนี้มายเนอร์ลูกกลุ่มมายเนอร์นะมีอะไรบ้างมีพิซซ่าแล้วก็คอฟฟคับซิสเลอร์เซเวนเซนเดลี่ควีน r e ร d ท a อกแล้วก็เบ r g e เก i n g ิงแล้วก็ไทยไทยคูซีนหรือไทยอันที่เป็นอาหารไทยเาก็มีนะอันนี้เขามีทั่วโลกหลายประเทศนะอันนี้ถ้าในแง่จบปวอชอปุ๊บไปทำงานเรียนปวส อ, อันนี้อันนี้อันนี้เขาทำเดี๋ยวพะกูเช็คอีกว่าเขารับปวชอปีครึ่งไหมเนาะ อันนี้ถ้ารับเราก็เลือกได้นะยิ่งเขารู้ว่าเราเมื่อพื้นฐานวิจยาลัยเราไปทางคณิหกรรมศาสตร์ทางอาหารเนี่ยกุ๊บพวกนี้เขาจะเลือกพวกเราก่อนนะส่วนหมหกอะไเนี่ก็ต้องไปเรียนปะวะสต่อนะถ้าจะไปนะเอาเป็นว่าช่วงที่เราไปเรียนเราไปทำงานเนี่ยมูลนิธิจะติดตามดูแลพวกเรานะมีปัญหาอะไรช่วยเขาแก้เาเราอยู่กรุงเทพ เราก็ไหว้าวานญาติธรรมพี่วงเทพเนี่ยไปดูแลพวกเรานะแต่ก็อันนี้เป็นโครงการดีมากถ้าเราเรียนปวสสองปีเราจบแล้วเราจะลาออกจากงานไปไหนก็ได้นะ เ, เราจะไปทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้แต่เราให้เขาส่งปริญญาตีอีกสองปี นเมื่อจบแล้วเราต้องทำงานให้เขาอีกปีหนึ่งแน่นอนเงินเดือนมันมากขึ้นนะอันนี้คือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโปรแกรมนี้ที่เชื่อมโยงกับ E-Tech e t เ c h เขาถึงแค่ปวสถ้าเราเรียนมหาวิทยาลัยต่อ ในขณะนี้ในมือพ่อครูมี9้ามหาวิทยาลัยนะมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะมันตัวเล็กพวกานนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเองมี9้ามหาวิทยาลัยที่เราจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทต่อได้นะสายนี้เขารับเลยเอาเป็นว่าพวกเราไม่ตันเราขยันจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราขยันไหมนะพ่อครูอยู่อเมริกาเด็กที่จบไฮสคูลก็คือ ม .6 ห, หรือปวชอายุ18ปีพ่อแม่รวยแค่ไหนกระชั่งเขาบอกบายๆเขาก็จัดกระเป๋าออกไปหางานทำํำแล้วก็ส่งตัวเองเรียนต่อบ้านเรามีแต่เรียนเรียนๆพ่อแม่มีเงินกันเรียนเป็นคุณหนูสักผ้าก็ไม่เป็นคุยกันก็ไม่รู้เรื่องจบปุ๊บทํางานอะไรก็ไม่เป็นต้องไปฝึกงานตอนนี้เขาไม่เอา อเมริกาเขาทำเมื่อสี่ปีก่อนพะกูอยู่นะพัะกคมาที่นี่30ปีเาก็ทำแล้วบ้านเมืองเขาถึงเจริญคนเขามีศักยภาพเขาไปฝึกงานตั้งแต่ตอนเรียนเห็นไหมจบมาเขาทำงานได้เลยไงบ้านเราเรียนอะไรจันทรถึงสุก์ก็เรียนเสาที่ก็ไปท่องจำทำอะไรก็ไม่เป็นออกมาไปฝึกงานไปหางานทำตอนนี้บริษัทเอกชนเขาไม่เอาเนาะ เอาตั้งแต่ปวชนี่แหละไปฝึกนะก็จะเป็นนโยบายรัฐแห่งชาติรัฐบาลอะไรเขาก็ส่งเสริมให้เรียนอาชีพเดี๋ยวอ่านเขาเข้านะพี่มหกหรือว่าปวชเน่าก้าไป เขาเขียนว่าสาขาไหนตรงใจเราที่สุดช่างสาขาไหนใช่ตัวเราเด็กช่างเขาเรียนอะไรกันนะพาะครูบอกแล้วเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันมันไม่ได้มันเป็นเน้นเรื่องไลฟ้าเรื่องหุ่นยนต์ปวชนะปะวชเขามี พาณิของเราเรียนปวชที่นี่แล้วนะอันนี้ปวสเราจะต่อปวสนะเขามีบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็สาขาอุตสาหกรรมมีสาขาวิชา ช่างยนต์นะวิชาช่างไฟฟ้าวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์าสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและ ว, วิชาใหม่นะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสาขาวิชา แมคาีนิกนะและหุ่นยนต์อันนี้น่าสนใจนะนี่แหละทำงานการทำงานคือการศึกษาแล้วทำทำงานเป็นแล้วเราก็เรียนเสริมเสริมทักษะไปด้วยนะั่แหละคือคนยิ่งใหญ่มีแต่แบมือขอคุณพ่อคุณแม่นั่นนั่นเพว่ามูลนิธิพ่อกูดูแลตั้งแต่อนุบาลจริงๆแล้วไอ้ทำแบบนี้พาะกูทำก่อนเพื่อนเลยนะ นะคืนที่ไงเด็กๆดกเรียนมัธยมที่นี่ม่ต้องไปโรงเรียนไงก็เรียนภาคปฏิบัติที่นี่วิชาการก็เรียนคู่กันไปพอถึงเวลาครูเขาก็มาสอบเห็นไหมเราทําก่อนแล้วเพราะพาะ่อครูไม่เน้นเรื่องวิชาการนะแต่เราก็เรียนคู่กันไปอันนี้ไปเรียนเก่งวิชาการแล้วไปทํางานไม่เป็นนะนะวันนั้นครูนุ้ยรายงานพา่อครูเมื่อวันก่อน เด็กปวชเราเนี่ยส่งไปเมืองสิบหกคนคนหนึ่งถอยไม่สู้นะและคนขี้เหล่ที่สุดเป็นผู้ชายตอนเรียนที่ปวชเรียนมอต้นแล้วก็ปวชเราเน่ะเรียนขี้เหล่ที่สุดพอไปทำงานเนี่ยได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งในแก่ภาคปฏิบัติเห็นไหมคนเราบางทีไม่เก่งวิชาการแต่ภาคปฏิบัติเขาเก่ง นายจ้างชมเชยมากเห็นไหมเราไปทำของจริงหรอกทีนี้เราทำดีใครๆก็อยากสนับสนุนนายจ้างก็ต้องการคนมีฝีมือคนคนที่ซื่อสัตย์นะเอาเป็นว่าอย่าไปอ้างนู่นอ้างนี่นะอ้างว่าไม่มีฐานะอ้างว่าอะไรเออถ้าใครขี้เกียจก็ตัวใครตัวมันนะพ่อครูดูแล เพราะกูว่าถูกแล้วเราเลือกปวชเนะมสองปีมานี่เราเราเลือกปวชเพราะกูดูดูนานแล้วว่าเรียนสายสามันมันไล่สาระเห็นไไปส่งไปผายเวลายก็ไปท่องจำอีกแล้วก็ไปเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้วิชาตกงานเเราเปิดปวชเนี่ย ทุกคนไม่รู้หรอกตัวเองเก่งแค่ไหนนะที่มาอยู่ศูนย์เนี่ยนะเรายังไม่ดูเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเราทุกว่าที่เราฝึกอยู่ศูนย์นี่ได้ประโยชน์มากเลยเข้าใจไหมนะอันนี้ก็เอาของจริงว่าที่ทํางานในเมืองเนี่ยเขารายงานพระครูว่านี่ยคนที่เรียนที่วิทยาลัยที่ตั้งแต่ม ต, ต้นนี่ขี้เลยที่สุดพอไปทํางานเนี่ยเขาทําดีที่สุดคนที่เรียนไม่เก่งในโรงเรียนนี่ ไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องอะไรเนี่ยนะนะเรียนเก่งก็ต้องออกไปทํางานเรียนไม่เก่งกออกไปทํางานบางคนเรียนเก่งไปทํางานทําไม่เป็นนะบางคนเรียนเก่งได้เกียรติยศระดับหนึ่งส่วนมากไปซื้อเอาตอนนี้ไปจ้างคอมพิวเตอร์ทําการบ้านให้เราเห็นไหมเก่งอะไรเก่งขโมยเก่งขี้โกงเนาะโอเคนะแล้วต่อไปนี้บัณฑิตเช้าเย็นมาปฏิบัติในศูนย์เมื่อเช้าพ่อคุยเห็นนะ พอถึงเวลานอนมรณ า, านุสติปุ๊บครูบาอาจารย์ก็ลงไปนอนด้วยมีสามคนเดินหนีออกไปข้างนอกต่อไปถือว่าไม่ให้เกียรติสารานะเพราะครูไม่ยอมนะถ้าเดินออกไปเดี๋ยวเอารถขับส่งกลับไปบ้านเลยไม่มีความอดทนต้องมีวิ น, นัยแค่ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งนี่อดทนไม่ได้นะต้องอยู่ให้มันครบนะ ก่อนจะเข้าสาราเนี่ยก็เข้าห้องน้ำให้มันเสร็จก่อนเมื่อวานนี่เราเห็นไหมเดี๋ยวสองสามวันนี้เมชีโบจะเอาถ่ายทำขายใ้พวกเราดูลูกสามวันที่มีงานใหญ่นะบรมราชาพิเศษของราชการที่สิบเราเนาะเมื่อวานเขาเดินเนี่ยกี่ชั่วโมงรู้ไหมตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วคนแบกเกี่ยวให้ ในหลวงนั่งข้างบนเนี่ยนะพอครูดูถึงห้าทุ่มก็ยังไม่เสร็จเลยเดินอ้อมกรุงเทพนะเห็นไหมตอนนั้นปวดฉี่บอกหยุดก่อนไปฉี่ได้ไหมไม่ได้นะลูกแล้วเมื่อกี้ทำวัดเหมือนกันทำไมผู้ชายเราเป็นยังไงคือว่าจิตมันไม่นิ่งไม่มีความอดทนเลยเราไปทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จนี่คือสมาธิต้องฝึกนั่นแหละ อนาคตเราจะเป็นอะไรกระทั่งต้องมีสมาธิเป็นเบื้องต้นเห็นไหมต้องต้องตั้งใจเวลาสวดมนก็สวดมนเวลาเล่นก็เล่นแต่เวลาเล่นไม่เล่นจริงๆนะก็เล่นเล่นเล่นอีกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่ได้นะลูกเสียเวลาเปล่ามาที่นี่แล้วก็ทำอะไรทำให้มันตั้งใจแต่ไม่ต้องเครียดไงแค่ทำวัดปฏิบัต คอสละชั่วโมงหนึ่งรอให้มันนี่อนี้พอนอนปุ๊บครูบาอาจารย์เขาก็ฝึกด้วยทีนี้เดินสามคนไปแล้วพวกครูเมื่อเช้าไม่ว่างพอดีเดี๋ยวเรียกมานะทุกคนรู้นะใครนะสามคนเนี่ยนะต่อไปอย่าทำแบบนี้นะปฏิบัติให้มันครบเรียนอะไรก็ทำอะไรให้มันสำเร็จนะที่เราเครียดเพราะอะไรไม่ใช่เครียดเพราะเรามาปฏิบัติทาไม่ใช่เครียดเพราะเรามาทาวัด เครียดเพราะเราไม่อยากทํามันก็ไปขัดแย้งกับตัวไม่อยากเราก็รู้สึกเครียดถ้าเราพอใจกับมันจะเครียดได้ยังไงเนี่ยปฐมตัวเล็กๆกัลยาณีเนี่ยเขาก็นั่งนิ่งเขาก็สวดนะแต่เนี่ยพวกเราพจนโก ก, กูตั้งชื่อให้แล้วนะนะชื่อว่าอะไรพวกเราชื่อว่าอะไรคนนั้น บัณฑิตใช่ไหมเออคนที่เป็นดิตเป็นบัณฑิตเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นบัณฑิตคนไม่โกหกคนซื่อสัตย์คนมีสัจจะน่ะแหะเขาเรียวกว่าบัณฑิตนะเนี่ยต้องฝึกขันติลูกมันเป็นหน้าที่เรา น, นี่นี่คือการศึกษามาเรียนรู้วิธีทำให้เรามีสมาธิต่อไปเราโตขึ้นทำอะไรต้องเริ่มต้นจากสมาธิถ้าขาดสมาธิสติก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดทะไรล้มเหลวหมด เนี่ยสมาธิสำคัญมากนี่แหละทางเอ็มเคเขาบอกครูคีว่าอย่าไปเดีนวิชาการมากเขาไม่ต้องการคนมีความรู้ไร้สาระเขาต้องการคนซึ่งมีความขยันมีความอดทนมีความซื่อสัตย์เหมือนพระครูที่บอกเลยเจข้อนั้นถ้ามีแค่นี้เขารับเลยเดียกเก่งเอง ถ้ามีคนมี ม, ม, ม, ม, มีวินัยเนี่ยทำเนี่ยคำว่ามีวินัยตอนนี้เราสวดมนต์ก็ตั้งใจสวดเราปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติให้มันครบเวลานะไม่เอานะลูกต่อไปใครท่านอย่างนี้นะเดี๋ยวก็โอเคเมื่อไม่อยากอยูอยท่ที่นี่แล้วก็เอารถรับส่งไปถึงบ้านนะต่อไปอยู่กันแบบมีความสุขลูกแต่ถ้าใครไม่อยากเลยมนเล่นแง่ที่นี่ห้ามเล่นเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าว่าครูบาอาจารย์ด้วย เราเป็นใครเราต้องนอบน้อมถ่อมตนเราเป็นเด็กนะครูบาอาจารย์เหนื่อยมากมาดูแลเรามีอะไรก็ปรึกษากันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่อารมณ์ไม่ดีมาก็จะงอนก็จะพูดภาษาหยาบๆเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยวิทยาลัย ไ, ไม่กล้าส่งต่อนะไม่เอาลูกไม่ต้องเครียดไงทำไมต้องเครียดละ่ะก็ให้พะครูต้องการเห็นเราเบิกบานสดุกสนานไง เวลาสนุกสนานก็สนุกสนานเวลาทำอะไรก็เบิกบานกับทาหน้าที่ไม่เห็นต้องทุกข์เลยที่เราทุกข์ที่เราเครียดเนี่ยเพราะเราไม่พอใจฝืนความไม่พอใจของเราลูกเพราะมันเป็นหน้าที่ยิ่งบันดิตลูกเดี๋ยวโตขึ้นอายุย0 2สบยีหรือสิ1 8ปด้วยอะไรเพราะกูจาไม่ได้ต้องไปคัดเลือกทาหารเนี่ย ใช่มสิบแปดไปคณะส้วงไ ด, ได้ทหารปุ๊บนะเขาจะส่งไปแนวหน้าบอกฉันไม่อยากไปได้ไหมพ่อแม่ส่งมาเรียนที่นี่ฉันไม่อยากเรียนเนี่ยได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่เราชอบไม่ชอบก็ต้องทําอันนี้เราไม่ชอบเราจะด่าใครก็ดา่านี่บาปนะลูกไม่อยากให้ทําในศูนย์นะเราไปทําข้างนอกเนี่ย สุวดาเราไปลักของเขาข้างนอกเนี่ยถูกปรับห้าร้อยเพว่าไม่มีเงินปรับถูกจําคุกเจดวันแต่ถ้ามาขโมยของในศูนย์เนี่ยถูกปรับห้าพันเพราะศูนย์นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นฐานที่บริสุทธิเเ์เรามาใช้อารมณ์ตัวนี้สร้างกรรมเนี่ยไม่ควรทํานะลูกเพราะครูไม่ต้องการให้ลูกหลานของครนูนีผิดศีลนะ แต่ไม่ใช่ว่ามีศินแล้วต้องเครียดไม่ไม่ต้องเครียดเบิกบานมีศินก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่สินต้องเครียดเครียดแต่ไม่ใช่ <c oughs> นะโดยเฉพาะบัณฑิตนะฝึกนะลูก <c oughs> เราต่อไปเราต้องโตขึ้นต้องไปอยู่ในสังคมถ้าเราแข็งกระด้างตัวนี้ไม่รู้กาละเทสะไม่รู้มาลายาดไปที่ไหนเขาก็รังเกียจเรานะ ส่วนเวลาเล่นนะตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ลูกคําว่าตั้งชมรมเหมือนกันพราครูก็เตือนผู้ใหญ่นะไม่ใช่จะตั้งก็ตั้งแล้วก็บังคับให้เด็กมาอีกไม่ใช่ต้องเกิดจากเด็กเขาอยากเองเห็นไหมอยากทําเองลูกก็ปรึกษากันดูว่ายังไงแล้วก็เราก็หาผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่แล้ชมรมเนี่ยเป็นเจ้าภาพดูแลนะแล้วลองคุยกันอยู่อาทิตย์หนึ่งลูก อาจจะให้พวกเราพักวันหนึ่งนะทำเรื่องส่วนตัวจะเป็นสักผ้าการบ้านอะไรก็ช่างนะนะส่วนวันเสาร์นี่จะเป็นวันเข้าชมลมนะทุกคนจะเลือกชมลมไหนที่ว่าไปแล้วเราเบิกบานเราเรียนรู้ได้นะก็เข้าๆคือมีศิลปะหัตถกรรมมีดนตรีมีเกษตร กเกษตรก็มีหลายอย่างมีแปลรูปอาหารมีอะไรก็แล้วแต่เนาะมีกีฬาอะไรเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ไปเข้าชมลมจะได้เรียนรู้การทํากิจกรรมร่วมกันนะไม่มีเหตุผลที่เราต้องมาเครียดนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เครียดแล้วนี่จะพูดอะไรไปต่อว่าผู้ใหญ่ได้เนี่ยพ่อครูห้ามเลยนะไม่ต้องเครียดขนาดแล้วไม่ไม่อยากอยู่ก็บอกปุ๊บแล้วก็เลี้ยงฉลองเลี้ยงส่งไง เราไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ไม่ได้ผิดแต่จะไปลามาไหวจะไปก็ไปแบบว่าเออเนื่องจากว่าเราเก้าวไปข้างหน้าไปอยู่ข้างนอกเ ร, เ, รนรนะเราเจริญจริงๆนะเราก้าวหน้าแข็งน้าเราก็ต้องเลี้ยงส่งไม่ใช่จะไปว่ามาทะเลาะ ก, กันไปด่าผู้มีพระคุณกับเราในบาปนะนะคุณเมธี หลวงพี่นี่เขาเหนื่อยมากมายเขาทำกิจกรรมของเขาแล้วก็ <ๆ S 1> แบ่งเวลามาดูแลเราต้องรักเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่มีอะไรก็ปรึกษากันเพราะกูอยากเห็นทุกคนเนี่ยเหมือนครอบครัวใหญ่นะตกลงนะต่อไปห้ามเครียดแล้วก็ทำอะไรก็ทำให้มันตั้งมั่นเวลาเล่นก็ต้องเล่นให้มันตั้งมั่นมีสมาธิกันอันนี้เล่นเลเล่ น, ลนก็ขาดสติ นะเข็นรถเร็วๆไปแล้วก็ชนกันล้มกัน ข, า, ขาหักขาหักอันนั้นมันเล่นแบบเล่นๆคือเล่นแล้วถึงมีสติเล่นให้มันเล่นอย่างมีความรู้เรียนอย่างมีความสุขโอเคได้เวลานะวันนี้พ่อครูถือโอกาสคุยกับพวกเราแล้วก็พรุ่งนี้พกกอ่อครูก็ลาไปทํากิจที่กรุงเทพนะกี่วันก็ยังไม่รู้โอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอกัอตนาคุณพระศรีรัตนาใย